บทที่สให้สิ่งอะไรปุตุชนย่อมทํากรรมสองชนิดคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมกุศลกรรมย่อมให้วิบากสุขส่วนอกุศลกรรมย่อมให้วิบากทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลกรรมทั้งปวงย่อมให้ผลในวันหนึ่งดังนั้น เราควรไต่ตรองอย่างรอบคอบก่อนทำกรรมใดๆถึงผลกรรมที่จะเกิดแก่เราเมื่อเรามองไปรอบๆตัวย่อมเห็นความไม่เสมอภาคกันในหมู่มนุษย์ชนที่มีโภคะมากมีโภคะน้อยมีผิวพรรณงามมีผิวพรรณซามมีอายุยืนมีอายุสั้นเกิดในสกุลสูงเกิดในสกุลต่ํา มีสักดามากมีสักดาน้อยมีปัญญาไร้ปัญญาความไม่เสมอภาคเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญชนที่มีโลคน้อยไม่ได้เป็นเพราะความโชคดีของเขาชนที่มีโรคมากก็ไม่ได้เป็นเพราะความโชคไม่ดีความไม่เสมอภาคในหมู่มนุษย์เป็นผลจากเจตนาและกรรมของตน แต่ละท่านเสวยผลแห่งกรรมของตนดังแสดงในจุรก ร, ร ม, มวิพังคสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พัฒวิหารเชตวันอารามของอนาถาปินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภามานกโตเอยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้ว ได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุภาพมานพโตเทยบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเร็วและความปราณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญา มีปัญญาข่าแต่พระโคดมผู้เจริญอารายหนอแรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเร็วและความประนีตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เร็วและปานี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตัดอธิบายแต่ยกมาโดยสังเขวว่าดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทาลายชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือละ ปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตวตราดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตวตาดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันซามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาก ร, ร้ายทำความโกรธความร้ายและความขึงเครียดให้ปรากฏ ดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือ มีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นดูก่อนมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดห์ามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะ ความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามปฏิปแก่สมณนะหรือพรามดูก่อนมานพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยแก่สมณะหรือพรามดูก่อนมนุษย์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาศนะแก่คนที่สมควรแก่อาศนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้าง ไม่เยอ่หยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาดูก่อนมานพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกซิ่งการละนานหรือว่าอะไรเมื่อทำ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลลนานดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสษอะไรไม่ควรเสษอะไรเมื่อทมย่อมเป็นไป เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นการละนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นการละนานผลทุกอย่างมีเหตุแห่งตนกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เร็วและปานีดนี่เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้รอบรอบตัวและเป็นผลแห่งกรรมในอดีตของเรา สิ่งมีชีวิตภายนอกไม่ใช่เหตุปัจจัยของชีวิตเราแต่เป็นกรรมในอดีตชาติที่ริขิจชีวิตของเราเราหล่อแม่พิมพ์เพื่อชีวิตของเราจากเจตนาและกรรมของตนเองสิ่งที่เราทำในวันนี้จะให้ผลในวันหน้าไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่ชาติต่อๆไปด้วยดังศิลปินผู้ชำนาญ ย่อมมีความสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันผู้มีใจกุศลก็ย่อมมีความสามารถที่จะทำในวิธีทางที่นําให้เกิดชีวิตชาติหน้าที่เป็นเอกในอีกฝ่ายหนึ่งอกุศลกรรมย่อมส่งให้เกิดวิบากทุกข์เราต้องการความรู้ที่ถูกต้องและกุศลจิตที่จะสร้างงานชิ้นเอก ความรู้นี้จกได้จากการศึกษาพระพุทธธรรมในอิติวุตกะติกะนิบาทวรรษที่สองปุญญกิริยาวัตถุสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปุญญกิริยาวัตถุสมประการนี้สประการเป็นฉไหนคือทานไมปุญญกิริยาวัตถุหนึ่งศีลไมปุญญกิริยาวัตถุหนึ่ง ภาวนามัย่ปุญญกิริยาวัตถุหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปุญญกิริยาวัตถุสามประการนี้แลในบรรดาปุญญกิริยาวัตถุสามประการนี้เราจะมุ่งทำความเข้าใจเรื่องทานนหมยปุญญกิริยาวัตถุเป็นประการแรกในการแสดงธรรมครั้งนี้ด้วยการให้ทานบุคคลได้สร้างแม่พิมพ์ที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า พระพุทธเจ้าตัดในอิติวุตกะเอกานิบาต ท, ทานนสูตรดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งความตนีอันเป็นมลทินจะไม่พึงครอบงมจิตของสัตว์เ่านั้น สัตว์เหล่านั้นไม่พึงแบ่งคำข้าวคำหลังจากคำข้าวนั้นแล้วก็จะไม่พึงบริโภคถ้าปฏิคาห6คือผู้รับของสัตว์เหล่านั้นพึงมีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ให้แล้วจึงบริโภคอันหนึ่งความตนี อันเป็นมนทินจึงยังครอบงามจิตของสัตว์เหล่านั้นเจตนาที่รวบรวมทายรร ม, มีข้าวเป็นต้นให้แก่คนอื่นโดยการอนุเคราะห์และการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าทานการให้ส่วนเจตนาที่แบ่งส่วนหนึ่งของวัตถุที่ตนถือเอาไว้บริโภคแล้วให้ชื่อว่าการจำแนก เพราะเหตุที่เราไม่ทราบผลแห่งการให้และการจำแนกเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความตณีจึงครอบงามจิตของเราเพราะเหตุนี้ในเทวตาสังยุตสะตุลระประกาญกวักที่สี่จึงมีความว่าทานและการลบเสมอกันเพราะความตณีและความประมาทอย่างนี้ บุคคลจึงให้ทานไม่ได้อั ต, ตมาจะแสดงธรรมะบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับอนิสงค์แห่งการให้และการจำแนกปฐมมูลของธรรมะบรรยายนี้มาจากสังยุตตะนิกายสคาทวักเทวตาสังยุตอาทิตตะวักที่หกินททสูตรที่สองหมายถึงให้สิ่งอะไร ที่ทรงแสดงความสำคัญของการรู้จักว่าพึงให้อะไรก่อนจะอธิบายพระสูตรนี้อัตมาขอเริ่มด้วยการอธิบายเปรียบเทียบวิบากที่พิเศษแตกต่างกันในผู้ให้ทานและผู้ไม่ให้ทานโดยอัญเชิญจากอังคุตระนิกายปัญจากานิบาตสุมนณวัคที่สีสุมลละสูตรความว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแรสุมนาราชกุมารีราชธิดาของพระเจ้าประเสนที่โกศลแวดล้อมด้วยรถ500คันและราชกุมารีห0 0คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสสาวกของพระผู้มีพระภาคสองคนมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเท่าๆกันคนหนึ่งเป็นผู้ให้คนหนึ่งไม่ให้คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุข ยศและอาิปไตยที่เป็นทิพย์ดูก่อนสุมนาผู้ที่ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้สุมนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์แต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกต่างกันคือผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มความไม่ให้ได้ด้วยเหตุห้าประการคือด้วยอายุวันณนะสุกยศและอธิปไตยที่เป็นของมนุษย์ดูก่อนสุมนา ผู้ให้เป็นมนุษย์ย่อมข่มคนผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้สุมาาถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่เป็นบรรพชิตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนสุมนาคนทั้งสองนั้น มีความพิเศษแตกต่างกันคือคนที่ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มคนที่ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการคือเมื่อออกปากขอย่อมได้จีวรมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บินทบาตมากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้เสนาสนะมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยเมื่อออกปากขอย่อมได้บริขารคื อ, อยาที่เป็นเครื่องบำบัดไข้ามากเมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อยและจะอยู่ร่วมกับเพื่อนพมจรรันเหล่าใดเพื่อนพมจรรันเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากย่อมนำสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อยดูก่อนสุมนณาผู้ให้เป็นบรรพชิตย่อมข่มผู้ไม่ให้ด้วยเหตุห้าประการนี้สุมนณาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตแต่คนทั้งสองนั้นทั้งที่ได้บรรลุอรหัตเหมือนกันพึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนสุมนาเราไม่กล่าวว่ามีเหตุแตกต่างกันใดๆในวิมุตติกับวิมุตต์ข้อนี้สุมนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, ข, รรญข้อนี้กำหนดไว้ว่า ควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแ ม, แ, amis, แม้แก่มนุษย์แม้แก่บัพชิตพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นสุมนาอย่างนั้นสุมาาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บัพชิต นอกจากนี้พระพุทธเจ้าตรัสในอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาทโภชนะทา น, นสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิคาหคือผู้รับห้าอย่างเป็นไฉนคือให้อายุหนึ่งให้วันละหนึ่งให้สุขหนึ่งให้กำลังหนึ่ง ให้ปฏิภาณหนึ่งขั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ขั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะทั้งสี่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ขั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ขั้นให้กําลังแล้วย่อมเป็นส่วน ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกําลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์คันให้ปฏิพานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพานทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทายกผู้ให้โภชนะเป็นฐานชื่อว่าฐานะห้าอย่างนี้แลร่างกายเราประกอบด้วยรูปสี่สมุดฐาน คือกรรมชรูปรูปเกิดแต่กรรมจิตตะชรูปรูปเกิดแต่จิตอาหารัชชาูปรูปเกิดแต่อาหารหนึ่งและอุตตุชรูปรูปเกิดแต่อุตตุหนึ่งกรรมในอดีตชาติเป็นเหตุของกรรมชรูปจิตก็เป็นเหตุของจิตตะชรูปอุตุก็เป็นเหตุของอุตตุชรูป ส่วนอาหารที่เราบริโภคก็เป็นเหตุของอาหารชรูปอาหารเป็นหนึ่งในสี่สมมติฐานที่ค้ำจุนชีวิตของเราเราย่อมอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากอาหารเพราะเหตุนี้โภชนะทานจึงชื่อว่าให้อายุโดยแท้อาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดได้ความผาสุก ข, ของเรา สุขภาพและความงามของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการบำรุงด้วยอาหารถ้าเราอยู่โดยไม่มีอาหารแม้เพียงสองสามวันเราก็เริ่มอ่อนแอเรียลแรงถดถอยและแม้แต่การทำกิจวัตรง่ายๆประจำวันก็ทำให้เราสูญเสียกำลังอย่างรวดเร็วเราย่อมพบว่าการสามารถในการปฏิบัติธรรม และการใช้เหตุผลถดถอยลงนี้เป็นเพราะความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างจิตและกายยามหิวเราย่อมเป็นทุกข์ถ้าหิวนานก็ยิ่งทุกข์มากเราทุกคนทราบว่านี่คือความจริงของชีวิตในทางตรงกันข้ามเมื่อได้กินอาหารแล้วเราย่อมเป็นสุขและได้สัมผัสกับความผาสุกในทันทีเมื่อเรียวแรงและพระกำลังกลับคืนมา เราก็ย่อมทุ่มเทชีวิตของเราได้มากกว่าเพียงแค่การอยู่รอดพระพุทธเจ้าตรัสในอังคุตระนิกายการละทานสูตรความว่าดูก่อนพิสูททั้งหลายการละทานทานอันสมควรห้าประการนี้หประการเป็นไนคือทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตอนหนึ่งทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปหนึ่ง ทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพงหนึ่งทายกย่อมให้ข้าวใหม่ข้าวก้าดีเลิศแก่ผู้มีศีลหนึ่งทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่ผลไม้ดีเลิศที่ออกข่าวแรกจากสวนแก่ผู้มีศีลหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการละทานห้าประการนี้แลหากเราปรารถนาชีวิตที่ดีขึ้น เราพึงให้การละทานห้าประการนี้เพราะเหตุใดขอให้เราะระลึกถึงประสบะการณ์ในชีวิตของเราเราต้องการอาหารเพื่อบริโภคเสื้อผ้าเพื่อสวมที่อยู่เพื่ออาศัยและยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคเราได้สิ่งเหล่านี้ในยามที่ต้องการหรือไม่อาจมีบางท่านที่ไม่ได้สิ่งจำเป็นเหล่านี้ในยามที่ต้องการนี่เป็นเพราะ เขาไม่ได้ให้การละทานห้าประการนี้มาก่อนเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าตัดสอนต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายไม่พึงกลัวกุศลกรรมการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนานี่เป็นปฏิปทาให้เข้าถึงความสุขที่น่าใคร่ตามอำนาจปรารถนาเป็นที่รักและชื่นชมคือกุศลกรรมดูก่อนพิสุทั้งหลาย เราได้รู้ยิ่งเองว่าเราได้ประสบแต่สิ่งที่น่าใคร่ตามอำน า, านาจปารถนาเป็นที่รักและชื่นชมเป็นผลแห่งการสร้างกุศลกรรมเราจากได้รับวิบากสุขจากการสั่งสมกุศลกรรมได้อย่างไรการพิจารณาคำถามนี้เราจำต้องหาความหมายที่แท้ของการให้ทานขอให้เราเริ่มด้วยการค้นคว้าจากคาสอน ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ในสังยุตตะนิกายสคาธวักเทวตาสังยุตอาทิตตะวักที่ห้ากินทัทะสุดที่สองว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินดิกะเศรษฐีเขตพนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีวันนะงามย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วจึงอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะ สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุขและบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตัดบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ปฏิบโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พ่มสอนธรรมชื่อว่าให้อมริตธรรมคำถามแรกคือให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้กำลังพระพุทธองค์ตัดตอบว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังอัทธกถากินทะทะสูตรอธิบายว่า บุคคลแม้มีกำลังมากแต่ไม่ได้กินอาหารหลายๆวันสองสามวันก็ไม่อาจเพื่อจะลุกขึ้นส่วนบุคคลผู้มีกำลังซามได้กินอาหารแล้วก็ย่อมถึงพร้อมด้วยกำลังได้เหตุใดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังดังนี้คำถามที่สองคือให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้วันนะ พระพุทธองค์ตัด ต, ตอบ ว, ว่าให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะทุกคนย่อมปรารถนาความงามทุกวันนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกทั้งชายและหญิงทำสัญญกรรมพลาสติกกันแบบเป็นของธรรมดาพวกเขาหวังว่าหลังการผ่าตัดเขาจะฟื้นขึ้นด้วยใบหน้าใหม่อันงดงามเขาพาซื่อเชื่อว่าสัญญกรรม ตกแต่งจะทำให้เขาเป็นสุขแท้ที่จริงสิ่งที่เขาประสบกับไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความยุ่งยากและความกังวลที่ยังเห็นไม่ได้แม้แต่สัญยญแพทย์พลาสติกมือหนึ่งก็ไม่อาจหยุดยั้งกระบวนการความแก่ตามธรรมชาติหลังการผ่าตัดดึงหน้าเขาก็ตกเป็นทาสของโลชั่นและครีมราคาแพงเพื่อใช้รักษาผิวหน้า แม้กระ น, นั้นในการไม่ช้าก็จำต้องไปดึงหน้าใหม่เที่ยวไปเที่ยวมาแต่ที่คลินิกสัญยกรรมพลาสติกแล้วแล้วเล่าเลวพวกเขาตกเป็นธาตุความไร้าสาระอันไม่ประกอบด้วยปัญญาถึงที่สุดแล้วการทำศัลยกรรมพลาสติกเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้และนำให้เกิดแต่ทุกข์พระพุทธเจ้าตัดในจุลกรรมวิพังขสูตรว่า ความมักโกรธเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามคืออัปป ร, รักความไม่มักโกรธเป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสคืองดงามและผู้ปรารถนาเป็นผู้น่าเลื่อมใสพึงไม่โกรธดังนั้นถ้าท่านไม่โกรธผู้ใดเลยก็ย่อมไม่จำต้องทำสัญญกรรมพลาสติกสิ่งใดสอ ถ, ถึงความโกรธการพูดคำหยาบ การมองด้วยโทสะการโต้เถียงการวิจารณ์ที่ไม่สมควรความไม่พอใจการบน่นการชี้นิ้วและความคิดปทุร้ายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สอถึงความโกรธถ้าเราอยากเป็นผู้งดงามเราต้องเลี่ยงการจำนนต่อความโกรธและต่อเหตุของความโกรธสิ่งเหล่านี้เป็นกายทุจริตและวจีทุจริต เราพึงฉลาดในวาราจิตของตนเพื่อหลีกเลี่ยงทุจริตทางกายและวาจาโปรดอรึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าในสจัจจตสูตรที่อัตมาอัญเชิญแสดงในธรรมบรรยายบทที่สองชีวิตที่ปลอดภัยแท้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากว่าพิสุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาลจิตของผู้อื่นไซ เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ฉลาดในวารจิตของตนดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลอัทธกถาขุทะกนิกายชาดกภาคสองอสิตินิบาศชาดกกุณาระชาดกเรื่องปัญจปาปีแสดงให้เห็น เหตุแห่งความอัปลักษ์ดังนี้ในอดีตการพระเจ้าพารานสีทรงพระนามว่าภักกะเสด็จทรงราชโดยธรรมยังมีหญิงชื่อปัญจปาปีเป็นธิดาของคนยากไร้คนหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านข้างประตูตะวันออกเมืองพารานสีเล่ากันมาว่าเมื่อชาติก่อนนางเกิดเป็นธิดาของคนยากไร้คนหนึ่งนั่งขยำดินทาฝาเรือนอยู่ เวลานั้นมีพระปัจเจกะพุทธเจ้าองค์หนึ่งคํางหนึ่งว่าจากหาดินละเอียดที่ไหนหนอมาฉาบทางเงื้อมฝาที่อยู่อาศัยครั้นตกลงใจว่าอาจหาได้ในเมืองพาราสีดังนี้แล้วจึงห่มคุมถือบาทเข้าไปในเมืองไปยืนอยู่ใกล้หญิงนั้นนางแรเห็นพระปัจเจกะพุทธเจ้าแล้วก็โกรธจึงพูดขึ้นด้วยใจร้ายว่า ชิ้นดินก็ขอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นิ่งมิได้วันไหวนางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามิได้วันไหวก็เกิดมีใจเลื่อมใสอีกจึงกล่าวว่าสมณะท่านจักได้ดินเหนียวหรือว่าแล้วก็ยกดินเหนียวก้อนใหญ่ใส่ลงในบาตพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เอาไปฉาบทางเงื้อนฝาที่อาศัยไม่ช้านะักหญิงคนนั้นก็จุติจากอัตภาพนั้น ไปถือปฏิสนธิในท้องหญิงทุกขตะชาวบ้านใกล้ประตูนอกเมืองนั้นเมื่อครบสิบเดือนแล้วนางก็คลอดด้วยผลที่ได้ถวายดินเหนียวร่างกายของนางจึงประกอบด้วยสัมผัสดียิ่งนักแต่พ่อวิบากที่แลดูภาพปัจเจกับพพุทธเจ้าด้วยความโกรธมือเท้าปากตาจมูกห้าแห่งจึงวิกลวิปริตไปดังนั้น เขาจึงพากันตั้งชื่อให้ว่านางปัญจ ป, ปาปีคือบาปห้าแห่งยามโกรธสตีงามไหมเราย่อมทราบว่ายามโกรธสตีดูอัปปะลักษ์และเมื่ออกุศลกรรมนั้นถึงความสุขงอมเธอผู้นั้นก็จะอัปปะลักษ์ถ้าเราปรารถนาความงามและวิบากสุขอื่นๆเราต้องหลีกเลี่ยงความโกรธและฉลาด ในวารจิตมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมของตนกรรมย่อมให้ผลแตกต่างกันกรรมบางอย่างให้ผลหนักกรรมบางอย่างให้ผลเบาและไม่มีในสำคัญหากเราบาังเอิญทําร้ายทําอันตรายหรือทําลายสิ่งมีชีวิตเล็กๆผลของกรรมชั่วนั้นโดยทั่วๆไปมักจะเบาแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราทำร้ายทำอันตรายหรือทำลายสัตว์ใหญ่ผลกรรมย่อมจะแรงในทำนองเดียวกันถ้าเราทำร้ายหรือทำลายหรือดูถูกผู้ทรงศีลผลของกรรมย่อมแตกต่างจากการทำล้ายหรือทำลายหรือดูถูกผู้ไม่มีศีลยามที่อยู่กับผู้ทรงศีลเราจำต้องเจริญสติและใช้ปัญญาพิจารณา โยนิโสมณั ส, สิการอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเพียรปิดกั้นบาปอากุศ ล, ลกรรมมิให้เกิดขึ้นพระปัจเจกะพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดดังนั้นแม้กรรมที่ทำต่อพระองค์จะเป็นเพียงกรรมเล็กน้อยแต่ผลแห่งกรรมกับหนักถ้าเราปลูกไม้ผลหวานในดินอันอุดม ไม้นั้นย่อมให้ผลที่หวานและมีรสอร่อยถ้าเราปลูกไม้ขมในดินอันอุดมเดียวกันผลไม้ที่ได้ย่อมมีรสขมเราควรต้องฉลาดอยู่เสมอในการทำกายกรรมและวจีกรรมใดๆเพราะทุกกรรมคือการสร้างเหตุที่มีอิทธิพลและเป็นแม่พิมพ์ในอนาคตชาติของเราย้อนกลับมาที่ กินทะทะสูตรคําถามที่สามของเทวดาคือให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้ความสุขพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขอัตถกถากินทะทสูตรอธิบายว่ายานโทได้แก่ยานทั้งหลายหัตถียานยานช้างเป็นต้น ก็แต่ว่าในบรรดายานเหล่านั้นยานช้างยานมา้าย่อมไม่สมควรแก่สมณะการให้ไปด้วยรถก็ไม่สมควรเหมือนกันยานที่สมควรแก่สมณะก็คือรองเท้าสําหรับสมณะผู้รักษาอยู่ซึ่งศีลษขันเพราะฉะนั้นบุคคลให้รองเท้าไม้เท้าคนแก่เตียงต่างอันหนึ่ง บุคคลใดย่อมชำระหนทางย่อมทำบันไดย่อมทำสะพานย่อมมอบเรือให้หรือการถวายล่มตัวรถตั ว, ตวรถไฟตัวเครื่องบินและสิ่งจำเป็นอื่นในการเดินทางแม้ทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าให้ยานเหมือนกันบทว่าสุขโทโหโติคือชื่อว่าให้ความสุขก็เพราะนาความสุขในยานมาให คำถามที่สี่ของเทวดาคือให้สิ่งอะไรชื่อว่าให้จักสุผู้มีพระภาคตัดตอบว่าให้ปฏิบค์โคมไฟชื่อว่าให้จักสุอัจฉกถากินทะทะสูตรอธิบายว่าให้ปฏิบคโคมไฟชื่อว่าให้จักสุเพราะความที่บุคคลทั้งหลายถึงแม้มีตาก็ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้การให้ปฏิบค์โคมไฟ เพื่อยังแสงสว่างในที่มืดทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่ชะนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าให้ประทีพโคมไฟชื่อว่าให้จักษุแก่ผู้ที่ต้องการการมองเห็นดังนั้นการให้เทียนไฟฉายหลอดไฟหรืออุปกรณ์แสงสว่างใดๆซึ่งช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆแก่ผู้ที่ต้องการ การมองเห็นนั้นคือชื่อว่าให้จักสุคำถามที่ห้าของเทวดาคือบุคคลเช่นไรชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างอัฏฐกะถากินทะทะสูตรอธิบายว่าผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละคือมีการให้กำลังเป็นต้นคือว่า เมื่อพิสูจน์เที่ยวบินธบาตไปสองสามบ้านไม่ได้อะไรอะไรมาอยู่ก็ดีเมื่ออาบน้ำในสระโบกคอรณีอันเย็นแล้วเข้าไปสู่ที่พักอาศัยนอนในเตียงคู่หนึ่งแล้วลุกขึ้นมานั่งก็ดีย่อมได้กําลังเหวากั บ, บุคคลอื่นนามาใส่ให้ในร่างกายดันั้นการให้เสนาสนะชื่อว่าให้กําลังหนึ่ง คำพีวิสุทธิ์ที่มาร์กกล่าวว่ารูปหมายถึงสภาวะที่แปรปรวนแตกสลายเพราะปัจจัยต่างๆอันขัดแย้งได้แก่ความร้อนและเย็นก็บุคคลเที่ยวไปในภายนอกผิวพันในกายย่อมค้ำไปด้วยรมและแดดเมื่อเข้าไปสู่ที่พักอาศัยปิดประตูแล้วนอนสักคู่หนึ่งความสืบต่อแห่งวิสภาคะ คือความขัดกันย่อมเข้าไปสงบระงับความสืบต่อแห่งสภาคะคือความเข้ากันได้ย่อมก้าวลงย่อมได้ผิวพันวั น, นะราวกับบุคคลนำใส่ไว้ให้ดังนั้นการให้เสนาสะนะชื่อว่าให้ความงามหนึ่งก็เมื่อบุคคลเที่ยวไปภายนอกน้ำย่อมทิมแทงต่อไม้ย่อมกระทบอันตรายทั้งหลาย มีงูเป็นต้นและโจรภัพ ย, ย่อมเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปสู่ที่พักอาศัยปิดประตูนอนแล้วอันตรายทั้งหมดเหล่านั้นย่อมไม่มีเมื่อสาธยายอยู่คือการท่องการสวดปิติและความสุขในธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อทำกรรมฐานไว้ในใจอยู่ความสุขอันสงบย่อมเกิดขึ้นดังนั้นการให้เสนาสนะ ชื่อว่าให้ความสุขหนึ่งเมื่อบุคคลเที่ยวไปภายนอกเหงื่อทั้งหลายย่อมไหลออกตาทั้งสองย่อมฟ้าฟางในเวลาที่เข้าไปสู่เสนาสะนะย่อมเป็นลาวกับว่าตกลงไปในหลุมเตียงและต่างย่อมไม่ปรากฏแกใส่ตาก็เมื่อบุคคลนอนพักสักครู่หนึ่งความพ่องใสแห่งตา ก็จะมีได้รากะว่าบุคคลนำมาใส่ไว้ให้ช่องลมประตูหน้าต่างและเตียงต่างย่อมปรากฏดังนั้นการให้เสนาสะนะชื่อว่าให้จักสุหนึ่งนอกจากนี้ยามที่เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานการนั่งปฏิบัติอย่างปลอดภัยในหอธรรมและกุติ ผู้ปฏิบัติย่อมสามารถแทงตลอดพัะธรรมได้ตามความเป็นจริงและเห็นแจ้งพานิพานดังนั้นการให้เสนาสนะชื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภยัยในการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งพัะธรรมตามความเป็นจริงและเพื่อเห็นพานิพานด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า โส so, จะสัพพะโทโหติโยทธาติอุปัสยังแปลว่าก็บุคคลใดให้ที่พักพาอาศัยบุคคลนั้นชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างดังนี้ก่อนที่อัตมาจะสรุปธรรมบรรยายครั้งนี้อัตมาขออัญเชิญอังคุตระนิกายอัทธกะนิบาท สีหนาฏวรที่สองเวลามาสูตรซึ่งแสดงการให้ทานด้วยอาการต่างกันและโดยผู้รับต่างกันส่งผลแตกต่างกันอย่างไรดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านอนาถบินดิกะ ขฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตัดถามท่านอนาถปินฑิกะคฤอหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่บ้างหรือหนอท่านอนาถปินดิกะคฤหะบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญ ในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่แต่ทานนั้นเป็นของเศร้าหมองเป็นปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นที่สองดูก่อนคฤิหะบดีคนให้ทานอันเศร้าหมองหรือปราหนี่ก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือ ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นย่อมบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้อ า, าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภค การมาคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญญาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกะระทาโดยไม่เคารพตอนนี้เราได้เห็นสาเหตุหนึ่ง ที่จิตไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารหรือผ้าอย่างดีและเราก็ได้เห็นว่าเหตุใดบริวารได้แก่บุตรธิดาคนใช้เป็นต้นไม่เชื่อฟังนี่คือกรรมและผลของกรรมพระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าดูก่อนค่าฤหับดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือปาหนีกก็ตาม แต่ให้ทานนั้นโดยเคารพทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบางเกิดผลในตระกูลใดใดในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญญาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงียหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพดูก่อนคฤหับดี เรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหมีชื่อเวารามะพราหมู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปยะ 8. ปด0 0ถาดถาดรูปยะเต็มด้วยทอง8ปด0 0ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน8ปด0 0พถาดให้ช้าง8 0 0ห0ื่เชือก มีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคุมด้วยข่ทองให้รถแปดหมืสี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคุมด้วยข่ทองให้แม่โคนมแปดหมสี่พันตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงิน รองน้านมให้หญิงสาว 84,000 สี่พันคนประดับด้วยแก้วมันีและแก้วกุลทนให้บัลลัง8ปดห0สพันที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องราชมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องราชอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องราชเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสอง ให้ผ้า 84,000 พันโกรดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไร้ที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำดูก่อนขฤรหบดีก็ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวรามาพาม ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นดูก่อนรฤหะบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวรามาพามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักคินายะบุคคลใครๆไม่ชำระทักคินานั้นให้หมดจดดูก่อนคฤอหะบดี ทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิชิคือพระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวรามพามให้แล้วทั้งปวงทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิชิร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิชิผู้เดียวบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิจิร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภค ทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระสกะทาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีผู้เดียวบริโภค ท่านที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าท่านที่บุคคลเชื้อเชิญให้พระอนาคามีร้อยท่านบริโภคท่านที่บุคคลถวายให้พระอรหันตร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าท่านที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคท่านที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันทร้อยรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกะพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกะพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคตอนนี้เราได้ทราบถึงความสำคัญว่าควรให้ทานโดยอาการใดและผลบางประการของการให้ทาน ในช่วงท้ายของธรรมบรรยายนี้อตมาขอแสดงพระพุทธดำรัสประการสุดท้ายในกินทะทัศสูตรซึ่งเป็นข้อสุดยอดในพระสูตรนี้ส่วนผู้ที่พ่มสอนธรรมชื่อว่าให้อมริต ธ, ธรรมอธกถากินทะทัศสูตรอธิบายว่าบุคคลใดย่อมพ่มสอนธรรมย่อมบอกอธกะถาย่อมสอนบาลี ย่อมแก้ปัญหาที่ถามแล้วย่อมบอกกรรมถามย่อมทำธรรมสวนะแม้ทั้งหมดนี้ชื่อว่าย่อมพรมสอนธรรมและอัตถกถาทานวักที่สามสูตรที่หนึ่งอธิบายดังนี้บทว่าธรรมทานังความว่าบุคคลบางคนในโลกนี้กล่าวปฏิปทาเครื่องบรรลุอมะตะ นี้ชื่อว่าธรรมทานดังนั้นผู้ที่พัามสอนธรรมแสดงทางปฏิบัติที่นำสู่พานิพานชื่อว่าให้อมริตธรรมและเพราะท่านสอนพระธรรมอันประเสริฐในที่สุดตัวท่านเองก็ย่อมได้บรรลุพานิพานอมริตธรรมด้วยเช่นกันอันหนึ่งการให้ธรรมนี้เท่านั้นบัณฑิตพึงทราบว่า เป็นเลิศ ก, กว่าการให้ทั้งหมดดังที่พระพุทธเจ้าตัดในอังคุตระนิกายทุกกะนิบาทตติยะปัญ น, นาทานวักที่สามสูตรที่หนึ่งได้แก่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทานสองอย่างนี้สองอย่างเป็นชไหนคืออามิสทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทานสองอย่างนี้แล ดูก่อนพิสุจทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายการจำแนกสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไนะคือการจำแนกอามิสหนึ่งการจำแนกธรรมหนึ่งดูก่อนพิสุ์ทั้งหลา ย, ก, ออยาล ก, один, าการจำแนกสองอย่างนี้แลดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายบรรดาการจำแนกสองอย่างนี้ การจำแนกธรรมเป็นเลิศดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายการสงเคราะห์สองอย่างนี้สองอย่างเป็นชไหนะคือการสงเคราะห์ด้วยอามิสหนึ่งการสงเคราะห์ด้วยธรรมหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายการสงเคราะห์สองอย่างนี้แลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาการสงเคราะห์สองอย่างนี้การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ สมจริงดังที่ตัดไว้ในคถาธรรมบทเรื่องเท้าส ก, กะเทวราชว่าสัพพะธานังธรรมทานังชินาติสัพพาราสังธรรมราโสชินาติสัพพราติงธรรมรารติชินาติตันหักขโยสัพพทุขังชินาติการให้ทมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงขออำนวยพรให้ท่านสามารถให้ทานอันเป็นเยี่ยมขออำนวยพรให้ท่านสามารถลิ้มรสอันเป็นยอดขออำนวยพรให้ท่านสามารถ ยินดีในความยินดีอันเป็นเลิศขออำหนวยพรให้ท่านสามารถได้ชชยอันประเสริฐที่สุดคือชนะทุกทั้งปวงขออำหนวยพรให้ท่านได้เป็นผู้ให้อัมรุตธรรมคือพระนิพพานสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเรวตะพิขุหมายเหตุ พระอาจารย์เรวตะแสดงธรรมนี้เป็นภาษาอังกฤษเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2548ที่พระอาลตอยะเมียนมา